วันก่อนมีข่าวนะที่ประเทศจีนมีชายชราคนหนึ่งขึ้นรถเม์รถเมข์คันนั้นก็คนแน่นมากไม่มีที่นั่งว่างเลยนะ อ, ะอาต้องเบียดเสียดยัดเยียดกันชายชราคนนั้นก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆ ก, ก็เรียกให้ลุกขึ้นนะให้ลุกนะตัวเองจะได้นั่งแทนไม่รู้ว่าเรียกแล้วสะ ก, กิดด้วยหรือเปล่าหรือว่าไปอ่า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 ให้ที่นั่งแก่ตัวเองไอ้ชายหนุ่มคนนั้นก็ไม่ลุกก็เลยมีการทะเลาะ ก, กันอ่าไชายแก่สึกว่าจะจะตบหน้าด้วยนะทะเลาะ ก, กันอยู่พักใหญ่สุดท้ายชายหนุ่มคนนั้นก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวนะก็เลยเดินอา่าลงจากรถไปเลยแต่ว่าชายชราคนนั้นเนี่ยพอได้นั่งไม่สั ก, สกไม่เท่าไหร่นะก็คงเพราะว่าความ ความโกรธความคุณเคืองมันยังมีอยู่นะก็ปรากฏว่าช็อกเลยหัวใจวายตายช่วยชีวิตได้ไม่ทันนะก็ตายคารถเมานั่นเลยอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะว่าไอ้ความโกรธนี่มันน่ากลัวนะมันมันสามารถที่จะทาร้ายเจ้าของให้ถึงตายได้นชายชรลาคนนี้ก็อาจจะ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 สมัยนะั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือพออจะไปจากที่ทํางานก็บอกเพื่อนว่าถ้ามีโทรศัพท์จากบ้านมาก็ให้บอกด้วยนะเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นข่าวร้ายพ่อพ่อพอาการหนักลงเรื่อยๆแกก็ไปทุรัข้างนอกสักพักกลับมาที่สํงงานักงานเพื่อนนี่ก็ไปพูดนะไปบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้มีโทรศัพท์จากที่บ้านมา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 ไม่ได้ไม่มีโทรศัพท์ที่ไหนจากบ้านโทรไปหาเขาแกก็แค้นนะโมโหเพื่อนตัวเองก็ป่วยอยู่แล้วนะแต่ก็ยังโมโหเพื่อนอยังเจ็บใจแค้นอยู่แล้วก็วันนั้นเนี่ยเพื่อนก็มาเยี่ยมเพื่อนก็รู้สึกผิดนะก็มาขอโทษขอโพยแล้วก็บอกว่ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะพอได้ยินเพื่อนพูดชนนี้แกก็โกรธขึ้นมาทันทีเลยเพราะอ่าเป็นพ่อแกนี่แหละนะที่ทำให้ฉันเนี่ยนะมาล้มป่วย แล้วยังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกนะว่ามามาพูดดีกับฉันอีกนะแค่โกรธเพื่อนมากนะโกรธปี๊ดเลยนะคราวนี้เส้นเลืในสมองก็แตกอีกทีเลยพรากฏว่าคราวนี้ก็ตายเลยนะตายตายเพราะความโกรธนะโกรธใครโกรธเพื่อนนะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มองเพื่อนในแง่ร า, ายนะเขาก็รู้สึกผิดแล้วเนะ่ะเขาก็มาขอโทษขอโพย แต่ความโกรธแค้นมันก็ทำให้พอเห็นหน้าเพื่อนนี่ก็ยิ่งโกรธหนักเข้าไปใหญ่เพื่อนพูดดีก็มองว่าเขาเนี่ยมาย่อเ ย, อเยอ้ยก็เลยกลายเป็นว่าคราวนี้ไม่ฟื้นเลยความโกรธนี่มันทำลายคนเราได้มากเลยแต่ว่าคนจำนวนมากนี้ก็ยังยังหวงแหนความโกรธนะบางคนไม่รู้ตัวแท้ซ้ำว่าเป็นคนขี้โกรธนะ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 แต่ น, นี้เนี่ยเป็นความหลงเลยนะเพราะว่ามันสามารถจะทำร้ายเราได้คนเรานี่อย่างน้อย ก, ก็ต้องรู้นะว่าความโกรธเนี่ยตัวเองนี่เป็นคนขี้โกรธแล้วก็รว่วความโกรธไม่ดีก็ต้องหาทางแก้ไขก็มีรายหนึ่งนะแปลกดีนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องของหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานวัดบางดมโคเนี่ยหลายคนคงเคยได้ยินชื่อสมัยท่านยังเป็นพระหนุ่มเนี่ยท่านก็ไปไปเรียนวิชาต่างๆสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนนะ ต้องก็ไปเรียนตามสำนักต่างๆทั้งด้านปริยัติแล้วก็ด้านคาถาอาคมสมัยก่อนคําว่าวิชาเนี่ยมันหมายถึงคาถาอาคมนะมันไม่ใช่เป็นวิชาหนังสืดนังหาก็ไปเรียนกับอาจารย์คนหนึ่งนะอันนี้เป็นไปเรียนไปเรียนท่านปริยัตินะเขาจะไปเรียนภาษาบาลีจากอาจารย์ชื่ออาจารย์จีนนะวัดเจ้าเจนะอาจารย์จีนนี่สอนหนังสือเก่งนะแต่ว่ามีนิสัยอย่างนึงคือดุร้ายมากนะ ดูร้ายขนาดที่เรียกว่าถึงถึงอะไรเรียกว่าถึงเนื้อถึงตัวเลยนะใครลูกศิษย์ตอบไม่ได้นี่ฟาดหรือตบเลยนะแกก็รู้ตัวนะแล้วแกทํายังไงแกก็ให้ลูกแกก็เวลาสอนหนังสือเนี่ยแกก็จะเข้าไปอยู่ในกลงมีกลงเหล็กนะหน้าห้องเรียนเนี่ยแกจะเข้าไปอยู่ในกลงแล้วก็สอนหนังสือจากหลังกลงหลังหลังกลงนั้นในกลงนั่นแหละ